เธอมองว่าฉันดีอยู่อยากให้รู้ในบางเวลาไม่ใช่ที่เห็นอาจแปลกตาไปไม่เหมือนเคยเป็นสิ่งเหล่านั้นคือคนละคนที่ต่างออกไปไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น จริงจรงิงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำยังทำไม่ได้บอกกับตัวเองว่าฉันคือใครเหตุอันใดจึงทำว่าไรไม่มีเหตุผลอยากเปิดประตูแต่เอืมไม่ถึง ต้องการเพียงใครสักคนพาฉันออกไปเมื่อมือเธอเอื้อมมาคือวันเจอฟ้าไหมเปิดตาเจอแสงสะท้อนเป็นเนาของเราอยู่ข้างกันกล้ามองบนฟ้าใส โลกงามอีกครั้งเพราะความรักรอบตัวเรา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 ทุกยาโลกงามอีครั้งเพราะความรักรอบตัวเราเมื่อมือเธอเอื้อมมาคือวันเจอฟ้าใหม่เปิดตาเจอแสงสะท้อนเป็นนวของเราอยู่ข้างกันงาม เพราะความรักรอบตัวเรากล้ามองบนฟ้าใสเปิดใจรับทุกอย่างโลกงามอีกครั้งเพราะความรักรอบ